พวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของล้อด้วยปากของพวกเขาและล้อนั้นไม่ทรงยินยอมนอกจากจใจแสงสว่างของพระรงค์สมบูรณ์เท่านั้น และแม้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ชอบก็ตามพระองค์คือผู้ที่ได้ส่งสาศาสนาทูตของพระองค์มาพร้อมด้วยทางหนังและาศาสนาแห่งสัจจะเพื่อที่จะส่งให้าศาสนาแห่งสัจจะนั้นปรากฏเหนือทุกาศาสนา และแม้ว่าบรรดาผู้บูชาเจวิตจะไม่ชอบก็ตาม โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงจำนวนมากมายจากบรรดา น, นักปราดและบาทหลวงนั้นกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบและขัดขวางผู้คน ให้ออกจากทางของลอและบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินโดยไม่จ่ายมันไปในทางของลอจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบม าวันที่มันจะถูกเผาในนรกยานนํานแล้วหน้าผากของพวกเขาและสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไวเ้เถิด إن ع د َ ة الشهور عدَ الله إثنا عشر ش ه ر ا إ ث ن عشر ش ه ر ا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم แท้จริงจำนวนเดือนนะที่อัลลอ์นั้นมีสิบสองเดือนดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์คือแผ่นบันทึกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่ปรงุง ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากจานวนเดือนเหล่านั้นมีอยู่สี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามนั่นคือบรรยัติอันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าจงยาอาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้นและจงต่อสู้กับบรรดามุชริกทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พวกเขากาลังต่อสู้กับพวกเจ้าอยู่ทั้งหมดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริง ا ل ل َ ه ن س َ ن ي ع ُ د ه َُ ن َ ع ْ ب ُ د َُ ن ْ ب ن د ُ ه ُ و َ ن َ ع ْ ب ُ د َ ن َ ع ْ ب ُ ه ُ و َ ي َ ب و ن ك ه و َ ن َ ع ْ ب ُ و ن َ ه ُ و ن ع ا م ا ه و َ ح َ ع د ُ و ن َ ه ُ و ع ا م ُ و ا ط ئ ع و ا ن ع د ه و ا ن َ ع د ه و َ ن َ ع د و َ م َ ع ْ ب ا ل ل ه ف َ ن و ََ ع ْ ب ا ل ل ه แท้จริงการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าไปนั้นเป็นการเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นโดยที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นถูกทำให้หลงผิดไปหนึ่งด้วยการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามนั้นหากพวกเขาได้มันเป็นที่อนุมัติปีหนึ่ง และมันเป็นที่ต้องห้ามปีหนึ่งเพื่อที่จะได้พ้องกับจำนวนเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้และพวกเขาก็จะอนุมัติสิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงห้ามไว้โดยที่ความชั่วแห่งการงานของพวกเขาได้ถูกประดับประดาให้สวยงามแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนาแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيت م بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أبو سثا ت ا ل ا ي มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระนั้นหรือเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงออกไปต่อสู้แนวทางของล้อเถิดพวกเจ้าก็ทําเขาอ่อนอยู่กับพื้นดินพวกเจ้าพึงพอใจต่อความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แทนปรโลกกระนั้นหรือสิ่งอํานวยความสุขแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นเทียบกับปรโลกแล้วไม่มีอะไรนอกจากเพียง ยท ا أ ถ้าหาพวกเจ้าไม่ออกไปพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดและจะทรงให้พวกหนึ่งอื่นจากพวกเจ้ามาแทน และพวกเจ้าจะไม่สามารถก่อความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ได้แต่อย่างใดและอัลล์ น, นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเขาก็แท้จริงอัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือเขามาแล้ว ขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองคนขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้นคือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจแท้จริงอลัลลอด์ทรงอยู่กับเราแล้วอลัลลอด์ทรงประทานความสงบใจจากพระองค์ลงมาให้แก่เขาและได้ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยบรรดาพรใหผลซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขา และได้ส่งให้คำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในระดับต่ำสุดและพจชนาศของอัลลอ์นั้นเป็นพจชนาศที่สูงสุดและอัลลอ์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาม ว่จาหิดูบิอมวาล كم ว่าอันภุศุมฟีสบีลิลล้าดาลิคุมขอยรุนลล كم อินคุนทุมตะละมูลพวกเจ้าจงออกไปเถิดทั้งผู้ที่มีสภาพป่องไวและผู้ที่มีสภาพเชื่องจ้าและจงเสียสละทั้งทรัพย์ของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของ الله นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ Uh ah um, ah um หากมันเป็นผลได้อันใกล้และเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วใสแน่นอนพวกเขาก็ปฏิบัติตามเจ้าแต่ถ้าว่าระยะทางอันลำบากนั้นไกลแก่พวกเขาและพวกเขาจะสาบานแด่อัลลอฮ์ว่าถ้าหากพวกเราสามารถแล้วแน่นอน พวกเราออกไปกับพวกท่านแล้วพวกเขากําลังทําลายชีวิตของพวกเขาเองและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหกอัล ล, ลอฮ์ลลดอนนได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วเพราะเหตุใดเล่าเจ้าจึงอนุมัติให้แก่พวกเขา จนกว่าจะได้ประจกักษ์แก่เจ้าเสียก่อนซึ่งบรรดาผู้ที่พูดจริงและจนกว่าเจ้าจะได้ทราบถึงบรรดาผู้ที่โกหกบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อล l l และวันพระโลกนั้น จะไม่ขออนุมัตต่อเจ้าในการที่พวกเขาจะเสียสละด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาและเอาล้อ น, นั้นสงรับรู้ถึงบรรดาผู้ที่ยังเคร่งแฮ้จริงที่จะขออนุมัตต่อเจ้านั้น คือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อหลอและ ว, ว, วันปรอโลกแล้วใจขอพวกเขาก็สงสัยเท่านั้นแล้วในการสงสัยของพวกเขานั่นเองพวกเขาจึงลังเลใจ บบแต่ลกอดะหากพวกเขาต้องการออกไปแน่นอนพวกเขาต้องเตรียมสัมภาระสําหรับการออกไปนั้นแล้วแต่ถ้ว่าอัลลอฮนั้นทรงเกลียดการออกไปของพวกเขาพระองค์จึงได้ทรงขัดขวางพวกเขาไว้และได้ถูกกล่าวว่า เจ้าจงนั่งอยู่กับผู้ที่นั่งทั้งหลายเถิดแล้วขรในพวกไม่เพิ่มนนอกจากและว่านพวกให้พวกเิและพวกงพวกเขา้และอัลล์ทรงรผู้ที่รหากว่าพวกเขาออกไปในหมู่พวกเจ้าแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแก่พวกเจ้านอกจากความเสียหายเท่านั้น และแน่นอนพวกเขาก็ย่อมฉวยโอกาสยุแยระหว่างพวกเจ้าโดยปราถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้าและในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่นับฟังพวกเขาอยู่และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีถึงผู้อาธรรมทั้งหลายล แค้จริงพวกเขาได้แสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้วและวางแผนต่างๆนาน า, นานาเพื่อต่อต้านเจ้าจนกระทั่งความจริงได้มาและพระบัญชาของอัลลอ์นั้นได้ปรากฏขึ้นทั้งๆที่พวกเขาไม่พอใจ م م และในหมูพวกเขาพวกกับกรอกนั้นมีผู้ที่กล่าวว่าจงอนุมัติแก่ฉันไม่ต้องออกไปสงครามเถิดและจงยายฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลย พึงรู้เถิดว่าพวกเขาได้ตกอยู่ในการทำความชั่วนั้นแล้วและแท้จริงนรกยันนำนั้นล้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้วหากความดีใดๆประสบแก่เจ้า มันก็ทำให้พวกเขาไม่สบายใจและหากมีอันตรายใดๆประสบแก่เจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ยึดเอากิจการของเราไว้ก่อนและพวกเขาก็ผิดหลังให้โดยที่พวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปิติยินดีมบอลาน ววัลฟมนนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจะไม่ประสบแกเราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงกำหนดไว้แกเราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้ครุง่งครองเราและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด َنَحْنُنَ تَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُوا بِكُمْ يُصِيبَكُمُ بِعَذَابٍ مِّنْ مِّنْ اللَّهُ بِعَذَابٍ عِنْدِهِ أَوْ จงกล่าวเถิดม่ฮัมมัดว่าพวกเจ้าจะไม่คอยดูพวกเรานอกจากสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง ที่ดีเยี่ยมเท่านั้นและเราก็จะคอยดูพวกเจ้าในการที่อลัลลอฮ์จะสรงให้ประสบแก่พวกเจ้าด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเราดังนั้นพวกเจ้าจงคอยดูไปเถิดแท้จริงพวกเราก็จะเป็นผู้คอยดูพร้อมกับพวกเจ้าด้วย อินนะกุมกุนตุมกอมนฟาซิกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงบริจาคไปเถิดด้วยความสมัครใจหรือฝืนใจก็ตามมันจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าเป็นอันขาดแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มชนที่ชั่วชาวะมามะนะอะฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกะตะฮุมอิลลา ول ولا ولا ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาที่สิ่งบริจาคจะไม่ถูกรับจากพวกเขานอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทาต่อหรอ และต่อรอศูนของโปร่งเท่านั้นและพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพเกียรตคร้านและพวกเขาจะไม่บริจาคนอกจากในสภาพไม่เต็มใ จ, าาจมมเ อยรดุลังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติแก่พวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงต้องการลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และจะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขนาะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นและพวกเขาจะสาบานต่อละว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกของพวกเจ้าและพวกเขาก็หาใช่เป็นพวกของพวกเจ้าใหม่ แต่ถ้าว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหากหากพวกเขาพบที่พักพิงหรือถ้ำหรืออุโมงค์แน่นอนพวกเขาก็จะหันไปหาหมัดโดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วน إ أ و و และในหมูพวกเขานั้นมีผู้ที่ตําหนิเจ้าในเรื่องของบริจาคถ้าหากพวกเขาได้รับของบริจาคนั้นพวกเขาก็ยินดีและหากพวกเขาไม่ได้รับของบริจาคนั้น พวกเขาก็โกรธโดยทันทีล ل و أنهم رضوا ما تهم الله ورسوله و ق ا و ا ق ا و ا حسب الله سيؤتين الله من ظلله و ر س و ل إن إ ل الله ر ا ض และหาพวกเขายินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้แก่พวกเขา และกล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นสรงให้พอเพียงแก่เราแล้วโดยที่อัลลอฮ์จะทรงประธานความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราและรอศูนของพระองค์ก็จะให้ด้วยแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้ น, น, น, นพวกเราเป็นผู้วิงวอนขออินนัสซาดะตุนิลฟุคราอิวัลมาซักินวะลอามีนะะเลียห์ اه ถ้าจริงทานทั้งหลายนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่ยากจนและบรรดาผู้ที่ขัดสนและบรรดาเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวม และบรรดาผู้ที่หัวใจของเขาสนิทสนมและในการถ่ายทอดและบรรดาผู้ที่มีนีสิยล้นตัวและในทางของอัลลอ์และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทางทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลลอ์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ ข้ออุด خيرال لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم แล้วนบวพวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่นบีโดยที่พวกเขากล่าวว่า เขาคือหูจงกล่าวเถิด ม, มูหมัดว่าเป็นหูแห่งความดีสำหรับพวกเจ้าโดยที่ศรัทธาต่อลอและเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่รอซูลของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด พวกเขาสาบานเท็จต่อลอ์กแก่พวกเจ้าเพื่อที่จะให้พวกเจ้าพอใจแต่ลอ์และรอซูลของปร่งนั้นเป็นผู้ที่สมควรยิ่งกว่าที่พวกเขาจะทำให้พึงพอใจหากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูนของพรุงแน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยานนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ั่ืนปัญานั่นแหละคือความอัพยศอันใหญ่หลวงบรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับกลอบนั้นหวั่นเกรงว่า จะมีอัลกุรอานบทหนึ่งถูกประทานลงมาแก่พวกเขาซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเยอยหยันกันไปเถิดแท้จริงอัลลอฮ น, นั้นทรงให้สิ่งที่พวกเจ้าวันเกรงนั้นปรากฏออกมาว แตาหากเจ้าได้ถามพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกเราเพียงแต่พูดสนุกและพูดเล่นเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูมัดว่าต่ออัลลอฮและบรรดาองค์การของปรุงและหรอดศูนย์ของปรุงกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยืหยันกัน พวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลยแท้จริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้ว หากเราจะพยะโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิด อนัมมาฟูบรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ใทําในสิ่งที่ไม่ดีและห้ามปราบในสิ่งที่ดีและกํามือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมอลัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นคือคนชั่ว َعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ وَالْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ خَالِدِينَ مُقِيمٌ عَذَابٌ Allah ได้สรงสัญญาลงโทษกับบรรดาผู้กลับกรอบชายและบรรดาผู้กลับกรอบหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งไฟนรกย a h ันนำโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลมันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้วและอัลลอ์ได้ทรงสาบแช่งพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษตลอดไป فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خ ْ ت م كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเจ้าซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่มีกําลังแข็งแรงกว่าพวกเจ้าและมีทรัพย์สมบัติและลูกๆมากกว่าพวกเจ้าและพวกเขาก็ได้รับความสํำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขาพวกเจ้าก็ได้หาความสําราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเจ้าเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าได้หาความสํำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขามาแล้วและพวกเจ้าได้พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระ เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้พูดคุยกันชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาได้ไร้ผลทั้งในโลกนี้และประโลกและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน َعَادِنْ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وَأَصْحَابِ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ لِيَظْلِمَهُمْ ไม่ได้มาอย่างพวกเขาดอกหรือข่าวคร า, าวของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา คือกลุ่มชนของนัวและของอาร์ตและของสมุดและกลุ่มชนของอิบราฮิมและชาวมัดย์และชาวอัลมุตตฟิกาดโดยที่บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาใช่ว่าลอ้นนั้นจะอาธรรมแก่พวกเขาก็หาไม่แต่ถ้าว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก و َ ا ل ْ م ُ ؤ م ن و ن َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ا ت ُ بَعْضُهُمْ أ و ل ي ا ء ُ ب َ ع ض ي َ أ م ر و ن َ ب ِ ا ل م َ ع ر ُ و ف ِ و َ ي َ ن ه َ و ن َ عَنِ ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ِ و َ ي ق ي م ُ و ن َ ا ل ص َّ ل ا ة َ وَيُؤْتُونَ ا ل ز َّ ك ا ة و َ ي ُ ق ي م ُ و ن ا ل ص َّ ل ا ة َ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ و َ ي ط ي ع و ن َ ا ل ل َّ ه و ر َ س ُ و ل ه อและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขานั้นต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ทําในสิ่งที่ดีและห้ามปราบในสิ่งที่ไม่ดีและพวกเขาจะปฏิบัติละหมาดและจําระอากาศและพักดีต่ออัลลอฮ์และรอศูลของโพร ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงเมตตาแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา Allah ได้ส่งสัญญาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงว่าจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาล และสถานที่บำนักอย่างดีซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันสถาพรและความปิติยินดีจากอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง